มาปฏิบัติมาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นการพัฒนาชีวิต จ, จิตใจที่ยั่งยืนที่ถาวรเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้นอกจากใจเพียงอย่างเดียวที่ยั่งยืนน่าถาวรส่วนสิ่งอื่นทั้งหลายในโลกนี้ ล้วนไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเป็นอนิจจ์คือมีการเจริญและมีการเสื่อมหมดไปเป็นธรรมดาดังนั้นไม่ว่ากัเราจะพัฒนาอะไรมากน้อยเพียงใดก็ตามถ้าเขาเป็นอนิจจ์คือมีการเจริญและมีการเสือ่อมการพัฒนานั้นก็จะ ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและถาวรเป็นการพัฒนาชั่วคราวเช่นชีวิตของเรานี้ก็เป็นการพัฒนาชั่วคราวทางด้านร่างกายร่างกายของเรานี้เกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปลาบยศสรรเสริญสุขตา่ตางๆที่เราได้สะสม ที่เราได้สร้างกันมาก็จะหมดจากเราไปเวลาเราจากโลกนี้ไปเราเอาลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายไปกับใจไม่ได้สิ่งที่จะไปกับใจได้ก็คือบุญกุศลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้เราบังเพนให้เราปฏิบัติกันเพราะบุญกุศลนี้จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับให้เราได้เป็นเทพได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเช่นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหรันและพระพุทธเจ้า เกิดจากการบำเพ็ญบุญกุศลเพราะการบำเพ็ญบุญกุศลนี้จะส่งผลอยู่ที่จิตใจจะติดอยู่ไปกับจิตใจณจิตใจนี้ก็จะไม่ตายไปกับร่างกายดังนั้นสิ่งต่างๆบุญกุศลต่างๆที่เราได้บำเพ็ญกันนี้ก็จะไม่สูญไปไม่เหมือนกับสิ่งของต่างๆ ที่เราสร้างกันพัฒนากันเช่นบ้านเรือนไม่ช้าก็เร็วก็สักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายหมดไปอาณาจักรต่างๆที่เราได้ศึกษามาจากประวัติศาสตร์ก็มีการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เสื่อมหมดไปอ า, ไ อ, าอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรพยุทธิยานี่ก็เช่นเดียวกัน มีการเจริญถึงขีดสูงสุดแล้วในที่สุดก็เสื่อมหมดไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราสร้างกันในวันนี้ถ้าเป็นสิ่งภายนอกจิตใจต้องอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทั้งนั้นคือความไม่เที่ยงไม่ถาวรต้องเสื่อมหมดไปจะเป็นนายกก็ไม่ได้เป็นไปตลอด พอตายไปแล้วความเป็นนายกก็หมดไปจะเป็นกษัตริย์ก็เช่นเดียวกันเป็นมหาเศรษฐีก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามในที่สุดพอร่างกายนี้ตายไปความเป็นสิ่งต่างๆของเราก็จะหมดตามไปด้วยแต่การพัฒนาจิตใจให้เราเป็นเทพเป็นพร เป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆนี้จะไม่หมดไปกับการตายของร่างกายเช่นตอนนี้ถ้าเราพัฒนาใจของเราให้เป็นเทพเวลาตายไปเราก็จะได้เป็นเทพต่อไปความเป็นเทพนี้ไม่ได้หมดไปกับการแตกดับของร่างกายเช่นเดียวกับการเป็นพรมเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามี พระอรหันต์เสีงรลเป็นสมบัติของใจเป็นคุณสมบัติของใจเมื่อใจได้เป็นแล้วก็จะเป็นไปเรื่อยๆตามแต่สภาพของสถานะที่เป็นอยู่บางอย่างเป็นแล้วก็ไม่เสือ่อมบางอย่างเป็นแล้วก็ยังเสื่อมอยู่เพราะ ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังเช่นเดียวกันเช่นการเป็นเทพเป็นพรหมนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงเป็นเทพได้แล้วก็จะเสื่อมจากความเป็นเทพได้เป็นพรหมได้แล้วก็จะเสื่อมจากการเป็นพรหมแต่การเป็นพระอาริยบุพล น, นี้แล้วจะไม่เสือ่อมเช่นถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็จะไม่เสื่อมกลับมาเป็นพระเป็นปุตุชนธรรมดาถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระอนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิดาคามีถ้าเป็นพระอรหันตก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามีเพราะเป็นโลกุตระธรรมเป็นธรรมที่เหนือกฎของอนิจจม รกุศละแปลว่าเหนือโลกอยู่เหนือโลกของอนิจจังทุกขังอนาาัสสานี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสาคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้งานการทางโลกนี้เราควรจะทำเพื่อเท่าที่จำเป็นคือเพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเรา ให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีอยู่มีกินเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเอาร่างกายของเรนี้มาพัฒนาจิตใจของเราอย่างที่ญาติโยมได้มาทำกันในวันนี้แทนที่จะเอาเวลาอันมีค่านี้ไปสร้างความสุขทางตาหูจมูกึ้นกายเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ตา่าง ไปหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานเราก็สละเวลาและสละทรัพย์ที่จะเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกานี้มาทำบุญให้ทานแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลการกระทําอย่างนี้จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ ถ้าเราทำบุญให้ทานและรักษาศีลได้เราก็จะเป็นเทพเป็นเทพขั้นต่างๆขึ้นอยู่กับการทำของเราทำมากทำน้อยทำมากก็จะได้เทพขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับแล้วถ้าเรานอกจากทำบุญให้ทานและรักษาศีลแล้วเรายังปฏิบัติธรรมคือเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบ ด้วยอุบายแห่งการทำสมาธิวิธีต่างๆซึ่งมีหลากหลายวิธีด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงสแสดงกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิอยู่ถึง40สชนิดด้วยกันเป็นอารมณ์ที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องกำกับใจให้สงบนิ่งได้ แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้พุทธานุสติคือการใช้พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทาใจของเราให้สงบด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณหรือระลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจอย่างต่อเนื่องไม่ให้ใจสายไปหาความคิศต่าง ใจก็จะสงบเย็นสบายเข้าสู่สมาธิได้วิธีนี้เรียกว่าพุทธานุสติการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทธโธเราจำเป็นจะต้องมีสติในการเจริญสมาธิเพราะถ้าไม่มีสติก็เป็นเหมือนเชือกเหมือนกับเว่าที่ไม่มีเชือก ว่าวที่ไม่มีเชือกก็จะลอยไปตามตามกระแสลมแต่ว่าวที่มีเชือกผูกไว้อยู่ก็จะลอยนิ่งอยู่ในอากาศจะไม่ลอยไปตามกระแสลมชันใดใจของพวกเราถ้าต้องการให้นิ่งให้เป็นสมาธิเราก็ต้องมีเชือกดึงใจเอาไว้เชือกนี้ก็คือสติ ส่วนพุโทโธนี้ก็คือเสาหรือต้นไม้ที่เราผูกเชือกเอาไว้พอเรามีเชือกมีต้นไม้ผูกเอาไว้ว่าวมันก็จะไม่ลอยไปตามกระแสลมมันก็จะลอยนิ่งอยู่บนท้องฟ้านี่คือเรื่องของการทำสมาธิต้องมีสองอย่างมีสติแล้วก็ต้องมีมีต้นไม้มีหลักยึด มีต้นไม้ไว้ผูกเชือกเอาไว้ใจของเรานี้เป็นเหมือนกับวางนอนเป็นเหมือนลิงคือมันไม่อยู่นิ่งมันไม่ชอบอยู่นิ่งๆถ้าเราไม่มีเชือกผูกเอาไว้กับต้นไม้มันก็จะวิ่งไปวิ่งมาเล่นไปเล่นมาตามสถานที่ต่างๆแต่ถ้ามีเชือกผูกเอาไว้ตอนต้นมันก็อาจจะดิ้นแต่สักระยะหนึ่งมันก็จะเหนื่อย แล้วมันก็จะหยุดมันก็จะนั่งอยู่เฉยๆเพราะมันรู้ว่าดิ้นไปไหนไม่ได้ใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีเชื่อคือสติไม่มีกรรมฐานคือพุทโธนี้ดึงใจเอาไว้ผูกใจเอาไว้ใจมันก็จะดิ้นไปหาเรื่องต่างๆดิ้นไปหาเรื่องในอดีตดิ้นไปหาเรื่องในอนาคต ดินไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีวันสิ้นสุดในแต่ละวันนี้เราไม่เคยหยุดคิดเลยคิดอยู่ได้ตลอดเวลาเห็นอะไรก็คิดกับสิ่งที่เห็นได้ยินอะไรก็คิดก็คิดกับสิ่งที่ได้ยินไม่เห็นไม่ได้ยินแต่นึกถึงอะไรก็คิดถึงสิ่งนั้นคิดอยู่เรื่อย บางทีคิดไม่เป็นก็คิดแล้วก็ทําให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความทุกข์วุ่นวายใจกระสับกระส่ายกังวลกวายกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีสติไว้คอยควบคุมความคิดของตนไม่มีกรรมฐานเช่นพุทโธไว้ผูกใจ ดึงใจเอาไว้ไม่ให้ลอยไปตามกระแสะความคิดต่างๆเราจึงไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายมีตําแหน่งสูงๆมีกนยกย่องสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายแต่เราก็ยังไม่สามารถมีความสงบสุขทางด้านจิตใจได้จิตใจเรามีแต่ จะคิดเรื่องต่างๆให้เราปวดหัวให้ปวดศีรษะให้หนักอกหนักใจให้กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่มีสติไว้คอยควบคุมความคิดของเรานี่เองดังนั้นถ้าเราอยากจะทำจิตใจของเราให้สงบให้เป็นเทพให้เป็นทรมเราต้องมีสติควบคุมความคิดของเรา อย่าปล่อยให้ความคิดของเราคิดไปเร่อยเปลื่อยไม่เกิดประโยชน์อะไรความคิดนี้ถ้ามีความจำเป็นก็คิดได้คิดให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์เช่นคิดมาทำบุญอย่างนี้หรือคิดไปทามาหากินคิดไปเรียนหนังสือหาวิชาความรู้คิดไปในทางที่ดีก็จะทำความสุขมาให้กับเราแต่ถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดี ก็จะนำความทุกข์มาให้กับเราถ้าคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงก็จะทำให้เราทุกขุ่นหวายใจถ้าเราคิดไปว่าเราอยากจะอยู่ไปนานๆานไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายอย่างนี้เรียกว่าคิดไปตามความหลงเพราะมันไม่ใช่เป็นความจริงนั่นเองความจริงแล้วร่างกายของพวกเราทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าเราอยากจะคิดให้เกิดประโยชน์เราต้องคิดตามความจริงคิดว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสงบใจเราจะยอมรับจะไม่ต่อต้านใจเราจะหยุดต่อต้านความทุกข์ของเราเกิดจากการที่ใจเราไปต่อต้านความจริงนั่นเอง เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายพอเราคิดอย่างนี้และเวลาเกิดเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็จะทุกข์ทรมานใจหรือยังไม่เกิดเพียงแต่คิดถึงว่าอาจจะเกิดก็ไม่สบายใจแล้วกังวลแล้วเวลาได้ข่าวว่ามีเชื้อโรคระบาดมีเชื้อไข้หวัดนกไขวัดใหญ่ ก็ตกใจกันแล้วกลัวกันแล้วต้องรีบหาหน้าโกกหน้ากากมาปิดหน้ากันเพราะอะไรเพราะเราคิดไปกับความหลงนั่นเองที่ว่าไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะตายแต่ถ้าเราคิดว่าถ้ามันถึงเวลาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บไปเถิดเมื่อถึงเวลาจะต้องตายก็ให้มันตายไปเถิดเพราะยังไงยังไงก็หนีไม่พ้น เกิดมาในโลกนี้แล้วร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครข้ามพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้คิดอย่างนี้เรียกว่าคิดเป็นตามความจริงคิดเป็นประโยชน์เพราะคิดแล้วจะทำให้จิตใจเย็นสบายแต่ถ้าคิดไปตามความหลงไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายหรืออยากรวยไม่อยากจนถ้าคิดแบงนี้เรียกว่า คิดตามความโลภความโกรธความหลงคิดอยากจะฆ่าคนนั้นคิดอยากจะฆ่าคนนี้คิดอยากจะด่าคนนั้นด่าคนนี้อยากจะกลั่นแกล้งคนนั้นกลั่นแกล้งคนนี้ถ้าคิดแบบนี้ก็จะทำให้จิตใจทุกข์ทรมารรุ่มร้อนขึ้นมาเพราเมื่อไปทำเขาแล้วก็ต้องเกิดความหวาดกลัวหวาดกลัวว่าเขาจะกลับมาทำเรานั่นเอง ไปด่าเขาแล้วก็กลัวว่าเขาจะมาด่าเราแต่ถ้าเราไม่ไปด่าเขาเราไม่ไปทำร้ายเขาเขาก็จะไม่มาทำร้ายเราไม่มาด่าเราเราก็จะไม่กลัวเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายใครนั่นเองนี่คือเรื่องของคลีฟความคิดของเราเราสามารถคิดไปในทางดีก็ได้คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้หรือไม่คิดเลยก็ได้ ถ้าไม่คิดเลยได้นี่ดีที่สุดเพราะเวลาใจไม่คิดอะไรนี้ใจจะนิ่งจะสงบจะมีความสุขอย่างมากความสุขเอินใดในโลกนี้นั้นไม่มีจะสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากใจที่สงบนี่พระพุทธเจ้าทรงพบความสุขแบบนี้แล้วทรงตัดสอนให้พวกเราทรงตัดว่านัตติสันติปรังสุขขังนะ ไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจความสงบของความคิดต่างๆถ้าใจเราหยุดคิดได้เพียงชั่วขณะหนึ่งเราจะได้พบกับความสุขที่แปลกประหลาดมหัศาลและเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกทำสมาธิ ด้วยการฝึกเจริญสติอยู่อย่างสม่ำเสมอเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ฝึกสติเอาไว้ดึงใจเอาไว้ให้ใจอยู่กับตัวเราอยู่กับการทำงานของเราไม่ว่าเรากำลังทำอะไรก็ให้เรามีสติอยู่กับการ ท, ทำนั้นๆว่าถ้าเราเดินก็ให้เรามีสติอยู่กับการเดินถ้าเรานั่งก็ให้มีสติอยู่กับการนั่ง ถ้าเรากำลังรับประทานอาหารก็ให้มีสติอยู่การรับประทานอาหารถ้ากำลังฟังธรรมอย่างขณะนี้ก็ให้มีสติอยู่กับการฟังธรรมอย่าให้ใจหนีไปคิดถึงเรื่องนงั้นเรื่องนี้เพราะเมื่อหนีไปแล้วใจจะไม่นิ่งเวลาฟังอะไรก็จะไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงแต่จะไม่เข้าใจความหมายเพราะใจไม่รับรู้นั่นเอง มีแต่หูที่รับรู้แต่ใจไม่ได้รับรู้ใจกำลังไปคิดเรื่องอื่นไปรับรู้อยู่กับเรื่องอื่นถ้าเป็นอย่างนี้ใจก็จะไม่นิ่งพอถ้าเราไม่มีสติดึงใจให้นิ่งเวลานั่งทำสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะไม่รวมลงเป็นสมาธิมันก็จะแวบไปคิดเรื่องนั้นแวบไปคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อย นั่งไปได้ไม่นานก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะจะเกิดความอึดอัดใจเกิดความลำคาญใจเกิดอาการสังสที่ไม่เคยเป็นก็จะเกิดขึ้นมาบางคนพอเวลานั่งสมาธิขึ้นมาก็เกิดอาการนั่นอกขึ้นมาบางคนก็เกิดคันตรงนั้นเกิดคันตรงนี้ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลของของกิเลสหรือของจิตที่มันต่อต้านความสงบ จิตมันไม่ต้องการความสกิเลสไม่ต้องการความสงบกิเลสชอบให้จิตคิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นพอเวลาที่จะต้องนั่งเฉยๆทีนี่จะรู้สึกอึดอัดขึ้นมา ท, าทันทีนั่งไปได้ไม่นานก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติติดอยู่กับพุทโธอยู่กับถ้าใจมีสติจดจ่ออยู่กับพุทโธอย่างเดียวความรู้สึกต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะมันไม่มีโอกาสที่จะไปเกิดนั่นเองแต่ถ้าเราเผลอปั๊บไม่ได้อยู่กับพุทธโธสักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะเกิดอาการอึดอัดลำคาญใจขึ้นมาทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติของเรามีกำลังไม่มากพอไม่มากพอที่จะดึงใจให้เข้าสู่ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธได้ ดังนั้นเราในขณะที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาสร้างสติให้มีกำลังดึงใจให้อยู่กับที่อย่าให้มันลอยไปเหมือนว่าที่เชือกขาดให้มันเป็นว่าที่มีเชือกผูกติดไว้กับต้นไม้มันก็จะลอยนิ่งอยู่บนท้องฟ้าใจของเราก็เช่นเดียวกัน เวลาทำอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วใจมันจะนิ่งถึงแม้จะไม่สงบจะไม่รวมลงเป็นหนึ่งแต่มันจะไม่ลอยไปลอยมาพอเรามีเวลาว่างจากการทำงานภารกิจสั่งๆเราก็มานั่งหลับจานั่งขัดสมาธิแล้วก็จเจริญพุทโธพุทโธไปถ้ามีสศิ่หนึ่งให้อยู่กับพุทโธบางทีไม่นานห้านาทีสิบนาที จิตจก็จะรวมลงเข้าสู่สมาธิปล่อยวางร่างกายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนั้นเหมือนกับไม่มีโลกนี้เหลืออยู่เลยจิตตนั้นเหมือนกับลอยอยู่ในอวากาศไม่มีร่างกายไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้จิตรับรู้จิตอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขอยู่กับความเป็นอุเบกขานี่แหละคือเป้าหมาย ของการทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธินี่แหละคือนิพพานชั่วคราวเวลาจิตสงบนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นนิพพานเพราะตอนนั้นความโลภความโกรธความหลงก็สงบตัวลงไปด้วยแต่เป็นนิพพานชั่วคราวเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงนี้ยังไม่ตายพอจิตออกจากสมาธิ พอเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความโลภความโกรธความหลงก็จะออกมาตามความคิดทันทีเช่นเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเกิดความโกรธเห็นสิ่งที่ชอบก็จะเกิดความโลภคิดถึงร่างกายก็อยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เกิดความหลงขึ้นมาถ้าอยากจะให้เป็นนิพพานอย่างทาวรก็ต้องปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งคือหลังจากออกมาจากสมาธิแล้ว พอจิตจะไปคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ต้องย้อนความคิดอันนี้ต้องคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ถ้ายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้ความหลงในเรื่องนี้ก็จะหายไปต่อไปก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายต่อไป จิตก็จะนิ่งทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะไม่มีความกลัวความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนิพพานคือเป็นแบบถาวรถ้าเราสามารถกำจัดความโลภความปวดความหลงด้วยปัญญาให้หมดสิ้นไปได้จิตของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานจะสงบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิก็ตามความที่จิตของเราไม่สงบนั้นเพราะก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้เองทําให้จิตของเราสายไปสายมาหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้หนีจากสิ่งนั้นหนีจากสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะความโลภความโกรธความหลงทําให้จิตของเราต้องเป็นอย่างนี้ พอไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วจิตก็จะไม่สายไปสายมาไม่สายไปทางโลกไม่สายไปทางความโกรธไม่สายไปความอยากต่างๆไม่สายไปในทางไม่อยากต่างๆใจก็จะอยู่คงกลางเป็นอุเบกขาเหมือนกับอยู่ในสมาธิใจก็จะมีความสุขมีความสบายโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ ทอใจเป็นนิพพานไปแล้วเป็นปรมังสุขขังไปแล้วอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่การปฏิบัติสมาธิและปัญญาคือการคิดที่สวนทางกับความหลงความหลงอยากจะอยู่เปนา น, านเราก็ต้องคิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายอยู่ไปได้ไม่นานชีวิตนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดเป็นธรรมดา ย่อมมีการตายเป็นธรรมดาให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าคิดอย่างนี้แล้วจะตายความคิดนี้ไม่ได้ไปฆ่าร่างกายได้คิดอยากจะอยู่มันก็ไม่ได้ไปห้ามความตายของร่างกายได้คิดว่าจะต้องตายก็ไม่ได้ไปสั่งให้ร่างกายตายได้แต่เป็นการสอนใจให้เห็นความจริงเพื่อที่ใจจะได้หยุดคิดไปในทางที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเอง พอใจไม่คิดไปในทางความหลงแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสบายแต่ถ้าใจยังคิดไปในทางความหลงอยู่ก็จะมีความโลภมีความโกรธใจก็จะไม่นิ่งก็จะไม่มีความสุขจะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าใจนิ่งเป็นอุเบกขาปล่อยวางทุกอย่างยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็น จะได้อะไรก็ยินดีที่จะได้จะเสียอะไรก็ยินดีที่จะเสียถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใจก็จะนิ่งจะไม่ส่ายไปส่ายมาถ้าใจนิ่งใจก็จะเป็นก็จะมีความสุขนี่คือวิธีทําใจให้นิ่งเป็นอุบเบกขาอย่างถาวรต้องทําด้วยปัญญาหรือวิปัสสนาต้องคิดพิจารณาตามความจริงต้องยอมรับความจริง ว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังอนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอนัตตาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถไปสั่งไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเขาต้องเปลี่ยนไปเขาต้องมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาของเขาถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ว ใจของเราก็จะไม่หลงไม่อยากจะให้เป็นอย่างอื่นไม่เหมือนอย่างตอนนี้ที่เรายังอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอยู่ยังอยากไม่แก่ยังอยากไม่เจ็บยังอยากไม่ตายก็ทำให้เราต้องคอยดิ้นรนอยู่เรื่อยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรีบหาหมอหาอยู่หายากันอย่างวุ่นวายเวลาจะตายก็วุ่นวายกันใหญ่ เพราะใจไม่ยอมรับความจริงนั่นเองแต่ถ้ายอมรับความจริงแล้วก็จะหายหลงเมื่อหายหลงแล้วก็จะหายอยากอยู่ตามความจริงอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจความจริงเงื่อนใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองใจไปทุกข์ให้เสียเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับเราไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเขาทำไมคนอื่นเขาจะดีจะชั่วมันก็เรื่องของเขาเขาจะเป็นเขาจะตายมันก็เรื่องของเขาเราไม่ดีไม่ได้ชั่วไปกับเขาเลยเราไม่ได้เป็นไม่ได้ตายไปกับเขาแต่เรากลับไปวุ่นวายไปกับเขาเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยสอนใจเราให้วางเฉยนั่นเองให้ปล่อยวางเรื่องของชาวบ้านเขา แม้แต่เรื่องของเราเรายังต้องปล่อยเลยถ้าเราอยากจะมีความสงบมีความสุขแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราไปเท่าที่เราจะทำได้เรายังดูแลรักษาร่างกายนี้ได้เราก็ดูแลไปเรายังต้องกินก็กินไปต้องทำอะไรก็ทำไปแต่ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่า น, นั้นทำเท่าที่ทำได้เมื่อถึงเวลาที่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป ถ้าทำอย่างนี้ใจของเราก็จะสงบอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่หลงไม่อยากกับอะไรปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงตอนนี้สบายก็ให้มันสบายตอนไม่สบายก็ให้มันไม่สบายตอนนี้ยังไม่แก่ก็ไม่ต้องแก่แต่พอถึงเวลาแก่ก็ให้เขาแก่ไปให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาอย่าไปอยากให้เป็นอย่างอื่นแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ เราจะมีแต่ความสงบมีความสุขมีความสบายใจนี่คือการทำจิตทำใจให้เป็นนิพพานคือให้สงบอย่างถาวรด้วยการปล่อยวางทุกอย่างด้วยการยอมรับความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังอนัตตาคือไม่เที่ยงเราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับให้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราได้ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วใจของเราก็จะสงบตลอดเวลาไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ใจของเราจะเป็นนิพพานเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือการพัฒนาที่แท้จริงเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องต้องพัฒนาที่จิตใจด้วยการบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่พวกเราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันในวันนี้คือทำบุญให้ทานรักษาสิง์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมขอให้ทาไปอย่างต่อเนื่องและทาให้มากขึ้นไปเถิดแล้วรับรองได้ว่าจิตใจจะพัฒนาสูงขึ้นไปตามลำดับไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชเป็นใครก็ได้ เป็นนักบวชก็ได้เป็นคารวะก็ได้การปฏิบัตินี้ไม่ได้สมนสิทธิ์ไว้กับนักบวชขือพระอย่างเดียวเป็นคารวะญาติโยมก็ปฏิบัติได้เพียงแต่การมาบวชนี้จะมีโอกาสได้ปฏิบัติมากกว่าเพราะไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทําเหมือนกับญาติโยมเป็นพระแล้วก็ไม่ต้องกั ง, งวลเรื่องปัจจัยสี่เพราะมีญาติโยมคอยดูแลคอยสนับสนุน ถ้าเป็นคาลาวาก็ต้องหาต้องสนัต้องหาเองต้องสนับสนุนเองเวลาที่จะปฏิบัติธรรมก็จะมีไม่มากพอแต่ถ้าเรามีฐานะดีเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วเราก็สามารถปฏิบัติเหมือนกับพระได้เพราะเราจะมีเวลาว่างจากการต้องทามาหากินนั่นเองเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยแต่อยู่ที่การปฏิบัติสี่ประการคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเท่านั้นใครก็ตามถ้าปฏิบัติทั้งสี่ประการนี้ได้ก็จะได้มรรคผลนิพพานเป็นรางวัลอย่างแน่นอนยึง อย่าปฏิเสธการปฏิบัติอย่าอ้างว่าเราเป็นผู้หญิงปฏิบัติไม่ได้อย่าอ้างว่าเราเป็นคลราว่าแล้วปฏิบัติไม่ได้ทุกคนปฏิบัติได้อยู่ที่ว่าเราจะมีศรัทธามีวิริยะความภาคเพียรหรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีศรัทธามีวิริยะแล้วรับรองได้ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถทาได้ แล้วเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมากผลนิพพานหรือสวรรค์ชั้นเทพชั้นผุนก็จะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครมาสงวนลิขสิทธิตอยู่ที่เหตุคือการกระทํานี้เท่านั้นถ้าทําก็ได้ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ถึงแม้จะมาบวชเป็นพระถ้าไม่ปฏิบัติไม่ทําก็ไม่ได้เหมือนกันถึงแม่ไม่ได้บวชเป็นพระแต่ได้ปฏิบัติ ก็จะได้เพราะไม่ได้อยู่ที่การเป็นพระหรือไม่การเป็นไม่เป็นพระแต่อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาพัฒนาชีวิตจิตใจยอย่างยั่งยืนอย่างถาวรด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้ากันเธอ